อาจารย์ครับร ก, การนมัสการครับผมจารินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับพอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะจะสองร้อยครั้งแล้วครับสามปีกว่าแล้วครับเป็นเป็นโชคดีของผมครับดีพระอาจารย์ด้วยทุกอย่างทุกอย่างมันก็สะสมจากเธอเล็กเธอน้อย ว่ามันก็มากขึ้นไปเรื่อยๆทำอะไรก็ต้องใจเย็นๆการปฏิบัติธรรมก็แบบนี้ทําไปเรื่อยๆไม่ใช่ทาปุ๊บจะได้ได้ปั๊บเลยกาปลูกตนน้นไม้ก็ค่อยปลูกไปค่อยๆดูแลไปเดี๋ยวมันก็โตขึ้นมาครับขอบเรียนพระาจารย์ครับวันนี้มีแจกหนั ง, งสือเล่มเจ็ดแล้วนะครับงานธรรมธรรมจุฬธรรมครับก็ดี พระอาจารย์ครับเมื่อเช้ามีคนไปใส่บาทเยอะไหมครับเมื่อเช้านี้ลืมเวลาคอไปเดน <c oughs> ครับปกติใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ประมาณพอดสีกว่านะ438ถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ี8ครับผมแตาถ้าไม่ถ้ามันถ้าไม่นึกถึงมันมบ่อยๆแล้วมันจะจางหายไปจ า, จากจความทรงจำครับผมบวันนี้วันนี้มันมี มีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่วัดทั้งมันเสียทั้งวันเลยโอ้โหพดีเพิ่มงมาเพิ่งมาใช้ได้วมาตอนบ่ายตอนห้าโมงห้าหกโมอ๋อทางคณะข้างหน้าคนนึ่งว่าพรอาจารย์มาได้เปิดให้เขาครับ <laughs> ที่แท้มันเสียใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ทางของทีโอทีเขเสียทั้งระบบเลยครับผมแล้วก็ช่วยซ่อมให้เสร็จไปแล้วประมาณห้าโมงเสร็จเสๆพอดีเวลาเลยครับอื อาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อแบบคนถามเรื่องนี้บ่อยครั้งครับเพาเลยขอขอโอกาสถามพระอาจารย์ทีเดียวให้พระอาจารย์ช่วยให้ปัญญากับพวกเราครับว่าตายแล้วไปไหนครับอาจารย์ครับกับพระมนตาครับคือตายนี่มันตายเฉพาะร่างกายนะชีวิตเรามีสองส่วนมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่ตายนี่ก็คือร่างกายส่วนจิตใจนี่ไม่มีวันตาย จิตใจอยู่ต่อไปแต่จะอยู่ในสภาพไหนร่นางกายก็กลับคืนสู่ที่เดิมของเขาก็มาจากดินน้ํำลมไฟร่างกายตอนที่ไว้มันก็เหมือนของที่จะละลายเหมือนไอติมอย่างเงี้ยถ้าทิ้งไว้ถูกความร้อนสักพักเดี๋ยวมันก็ละลายกลายเ ป, ป็นน้ําไปร่างกายมันก็เหมือนกันมันก็จะละลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป แต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังไปต่อที่จะไปไหนก็มันมีสามทางสามทางที่เป็นไปได้ทางแรกก็คือถ้าเราทําบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะพาไปอบายสี่ที่ด้วยกันไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายหรือ ไ, ไปนรกอันนี้เกิดจากการทําบาปมากกว่าทําบุญเพราะบาปกับบุญจะเป็นตัวคอยชุดลากให้ ดววิญญาณเราไปทางใดทางหนึ่งถ้าบาปมากกว่าก็จะดึงไปทางอบายถ้าบุญมากกว่าก็จะไปทางสวรรค์แล้วถ้าสามารถชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะวิชาได้ก็ไปนิพพานพระพุทธเจ้าพระหลานถ้าไปนิพพานส่วนคนที่ทำบุญทําทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นปกติ ก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนคนที่ทํำบาปเป็นปกติเป็นนิสัยทํามุนน้อยคนนี้ก็จะไปอาบายก็มีอยู่สามทางที่เราสามารถกําหนดได้อ น, นี้เราจะไปทางไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราคนไม่เชื่อเพราะคิดว่าตายแล้วศูนย์เพราะเห็นแต่ร่างกายคิดว่าตัวเองใจกับร่างกายเป็นอันเดียวกัน พอร่างกายตายไปใจก็ไปด้วยใช่ไหมที่บางคนเขาเชื่อใจเป็นอยู่ในสมองใช่รับความรู้สึกและคิดยีงอยู่ในอยู่ในสมองพอร่างกายตายไปความรู้สึกและคิดก็ตายไปด้วยแล้วใคร่ะจะไปไหนต่อไม่มีใครไปต่อถ้าถ้ามองว่าชีวิตเราประกอบด้วยร่างกายเป็นเพียงส่วนเดียวมันก็ตายแล้วสูนตายแล้วก็จบบาปบุญอะไรที่ทํามาก็ไม่ไม่มีผลต่อร่างกาย กิเจะถูกฆ่าตายไปหมดมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมันไม่มีใครไปรับผละมันความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงมันมีมีใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้มามาครอบครองร่างกายไว้เป็นเครื่องมือเหมือนกับเป็นรถยนต์คันหนึ่งส่วนชนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ก็พารถขับรถไปนู่นมานี่พอรถเสีย ก็เทียรรถไปแล้วก็เปลี่ยนรถใหม่ร่างกายก็เหมือนรถยนต์ที่ใจเอามาใช้เพื่อที่จะพาไปหเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรถผ่านทางตาหูจมูกล่างกายของร่างกายดัยงนันชีวิตเราจะมีสองส่วนไม่ใช่ส่วนเดียวมีร่างกายที่เป็นเหมือนรถยนต์แล้วก็มีใจที่เป็นเหมือนคนขับแล้วในการแสวงหาความสุขจากรื่องเสีรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรถ บางคนก็หาโดยวิธีสุดจริญไม่ได้ก็ใช้วิธีทุจริญก็ทำบาปเปนที่มาของของการทำบาปเพราะามีตัณหาความอยากในใจที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้คือราบระะะะะะะะยศสารเสริญจากความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสบางคนก็ไม่สามารถที่จะหามาได้โดยวิธีสุดจริญก็เลยไปทำโดยวิธีทุจริ ทำบาปด้วยวิธีการต่สางๆสะสมบาปไปในใจโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ไม่ชอบทําบุญเพราะว่าต้องการเอาเงินมาใช้ให้เกิดความความสุขกับตนเองการทําบุญนี่มันเป็นการเสียเสียประโยชน์ยิ่งถ้าทําหาเงินมาด้วยวิธีทําบาปแล้วก็จะไม่ชอบทําบุญอ๋อเสียเสียดายเงิ น, ะนงจะเอาเงินมาหาความสุข อนนี้ก็เลยบุญนะว่าแต่บาปมากตายไปก็ไปอบายแน่นอนแต่อีกอกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่อาจจะมีมีบุญมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาที่ดีมาเกิดแล้วก็มีความสามารถหาเงินหาทองได้ในวิธีสุดเลยไม่ต้องไปทําบาปแล้วบางทีก็หามาได้มากกว่าที่ตัวเองจะใช้ได้ก็แบ่งเอาไปทําบุญ พวกนี้กลเป็นอีกพวกหนึ่งพวกที่จะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพวกอีกพวกหนึ่งก็พวกที่เป็นนักบวชพวกนี้จะไม่หาความสุขจากการเสพ ร, ราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกิ่นรสเพราะเขาได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าจากการปฏิบัติจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบเขาก็จะมา บวชกันอยู่เป็นโสดแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดกันไปเข้าสมาธิกันหาความสุขจากการเข้าฌานชั้นต่างๆอันนี้ก็เป็นขั้นที่ยังเป็นโนกิยะอยู่ถ้าได้ความสุขจากสมาธิกิเลสที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิด ย, ยังไม่ได้ถูกทําลายเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ชั่วคราวต้องรอให้มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาสอน ก่อนหน้าที่เีมือพระเจ้าคนในโลกนี้ก็จะทําอยู่ซะสองอย่างนี้ทําบาปแล้อทําบุญบุญก็มีสองระดับบุญที่ได้จากการทําบุญทําทานก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าไปทําบุญใชั้นสมาธิก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแต่ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตายไปแล้วพอบุญที่ส่งไปหมดกําลังก็ต้องกลับมาติมบุญใหม่ การจกลับมาเติมบุญใหม่ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นภพที่เรามาสร้างบุญสร้างบาปกันส่วนภพอื่นนี้เป็นภพที่เราไปรับผลบุญผลบาป ท, ทำบาปก็ไปอาบายสี่ที่อันนี้เป็นที่รับผลบาปเวลาไปรับผลบาปก็ไม่สามารถทำบุญเพื่อทาบาปได้เมนคนที่ไปติดคุกติดตารางก็ต้องติดไปจนบาจมดถึงจะถูกปล่อยออกมา ส่วนพวกที่ทำบุญพอตายไปเขาก็ไปนับผลบุญการรับปผลบุญก็เหมือนกับไปเที่ยวต่างประเทศไม่มีเวลาที่จะมามาทำบุญโชคไปเที่ยวตอนนั้นก็ ส, สนุกสนานกับการเที่ยวเที่ยวไปจนเงินหมดพอเงินหมดก็กลับบ้านมาหาเงินใหม่นี้นก็เหมือนกันพอไปเที่ยวในสวรรค์หมดหมดบุญก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทาบุญใหม่พวกที่ไปอบาย พ้นจากบาป ก, ก็กลับมาทาบาปใหม่เพราะมันติดเป็นนิสัยพวกที่ชอบไปบวชก็จะไปก็จะไปสวรรค์ชั้นชั้ น, นพรหมสองพรหมของระดับรูปกระพรกิกรูปกระพริบแต่ก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกจนกว่าจะมีพระพุจ้ามาตัดสัมาเวชวุมาสอนว่าวิธีที่จะทําไม่กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมามาตัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปอจากใจด้วยการเจริญ ภาวนาเหมือนกันคือเข้าสมาธิเหมือนกันแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วให้ใช้กําลังของสมาธิมาสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความกรความหลงอย่าไปทำตามความโลภความอยากต่างๆถ้ามีสมาธิมีกําลังของสมาธิก็จะสามารถหยุดสู้กับความอยากได้พอเราสู้กับความอยากจนกระนั่งความอยากมันหมดกําลังมันก็จะไม่มาโผล่มารบกวนใจเราเอง ก, ก็จะไม่มีความอยากหนึ่งให้เรากลับมา เกิดใหม่อีกต่อไปก็จะอยู่ที่นิพพานเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพาาระอรหันต์ไปเนี่ยที่มาที่ไปของ ส, สามทางเลือกของใจนส่วนทางร่างกายนี้ไม่มีทางเลือกเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ปุถุชนคนรวยคนจนคนฉลาดคนง่วงร่างกายไปที่เดียวกันหมดไปที่วัดไปไปที่เมน องศครัาจารย์ครับแล้วอย่างตอนไปเป็นเทวดานี่เรายัางทําบุญได้อยู่บ้างไหมครับส่วนใหญ่จะไม่ได้ก็มันไปเที่ยวเลยอาจจะทําได้บ้างอาจจะไปทําบุญแล้วอาจจะไปไปไปมีวัดที่อยู่ไปใกล้ก็อาจจะว่าเขาไปทําบุญหน่อยแะส่วนใหญ่จะไม่มีตั้งใจจะไปวัดกันจะตั้งใจไปเที่ยวกันครับแต่างทีไปเที่ยวแล้วตามสถานที่ก็มีที่ให้ทําบุญในตู้บริจาคเราก็อาจจะ ชอบทำบุญต้งก็ยอดเดินยอดเงินก็ไปทําบุญไปแต่ไม่ได้ทํามาเป็นกิจจาลักษณะเป้าหมายก็คือการไปเที่ยวหาความสุขจากจากรูปเสียงกินก่นรถต่างๆที่เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์นอจะพวกที่มีคนสนใจที่จะศึกษาธรรมะถ้าไปเจอพระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าที่แสดงธรรมโปรดได้เขาก็จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วก็จะมาปฏิบัติธรรมต่อได้ในขณะที่อยู่ในสวรรค์ อย่พุทธมารดาพระเจ้าสอนให้บรรลุเป็นพระสุวรดาบรรได้อันนี้จะ ต, ต้องเป็นกรณีเฉพาะบุคคลบุคคลที่สนใจและมีมีพระอรหันต์หรือพระคุณเจ้าไปไปโปรดเป็นกรณีพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปโปร ด, ปร พ, พ, ปปรดพุทธมารดาแล้วก็ปกติพระเจ้าสแสดงทําให้เทวดาฟังทุกคืนถ้าเทวดาคนไหนสนใจก็จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระคุณเจ้า ครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันบางรูปท่านก็สามารถแสดงธรรมบดพวกเทวดาได้เหมือนกันเข้าใจว่าหลวงปู่มั่นเนียน่ยท่านก็แสดงแสดงเทศให้เทศ ใ, ให้เทวดาได้ฟังได้ยินได้ฟังเหมือนกันถ้าอ่านจากประวัติของหลวงปู่มั่นที่หลวงตายม า, าบวชเขียนไว้ก็จะมีเ ท, ว, ท, าาเทวดามาฟังเทศฟังธรรมจากท่านหลวงปู่มั่นท่านก็มีอภิญญามีอุปจ า, า, าระสมาธิสามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ อาจารย์ครับแล้ที่เกิดมาเป็นคนบางคนก็สูงดำต่ำด ำ, ดำเตี้ยมไม่เท่ากันเทวดาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เกิดจากอันนี้ส่งที่ทํากันมาใช่ไหมครับใช่ก็เรื่องุญรื่บาปที่ทํามามันก็มีเหตุที่ทําให้น่าตายของแต่ละคนบางทีมาจากพ่อแม่เดียวกันแต่รูปร่างหน้าตาสวยงามไม่สวยงามต่างกันอันนี้เขาเรียกว่าบารมีที่ได้สร้างไว้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันคุณทําทําบุญมาน้อยอคนทําบุญมามากกว่าเวลามาเป็นพี่น้อง ก, กันคนที่มีบุญมากกว่ามักจะได้เดบได้ดีกว่าแต่รุมหน้หาหน้าตาที่ดีกว่าขับคนที่ทําบุญน้อยกว่าอาจจะเป็นเวลาที่ร่างกายจะริบบ่มตอบโต้อาจจะมีผลกระทบต่อดีในของเหมือนซ้ำนะนี่ก็พูดพูดไปไปแต่มันต้องมีอะไร มีมีอะไรที่เป็นเหตุให้ร่างกายที่มาจากเท้องพ่อจากท้องแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันแต่มีลักษณะผิวพรรณอะไรต่างๆไม่เหมือนกันขอโอกาสคับอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาเจอเอพิเจเนติกครับอาจารย์พระอาจารย์ครับมัน เ, เหนือเจเนติกเลยครับมันเกิดจากกรรมครับอาจารย์ครับเกิด จ, กกรร จ, จากพฤติกรรมด้วยครับรรอาจารย์ครับ ผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนๆ น, นะคะพระอาจารย์ครั บ, ร จ, รบจากคุณรัตนาครับบอกว่าถ้าเราตายแล้วยังใช้นี่เจ้ากรรมในเวรไม่หมดเราต้องใช้นี่ต่อชาติหน้าไหมครับถ้าไม่หมดเขาก็ตามมาเก็บต่อถ้ า, าไม่หมดมันจะหมดนะมีคำถามว่าเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นมีโอกาสได้พบกันบ้างไหมครับอันนี้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะเราไม่เคยเป่วย แ, แต่ว่าเราความรู้สึกตามความเข้าใจสวรรค์วนหนึ่งก็เกิดจากการในระมิตของใจเองเกิดจากการทําบุญที่สะสมไว้ในใจแล้บุญนี้ก็จะในระมิดเป็นเรื่องเรื่องของการได้ไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่นนกับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้แต่เรื่องที่จะมีเทวดาที่เป็นจิตเอกลักษณจะมาเข้านี้ อาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับพวกที่มีอภิญญามั้งพวกมีอภิญญาในี่เขาติดต่อกับกายทิพย์ได้แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีอภิญญาก็คงจะเป็นสวรรค์แบบในระดับขึ้นมาเองภายในใจเหมือนตอนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันไปเราก็ไม่จะฝันกันคนที่เรารู้จัดใช่ไหมก่นเจอคนนี้ก่อนเจอคนนี้อะไรมาไป เราไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดรวมถึงบุญด้วยใช่ไหมครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าการยึดติดนี้ที่ไม่ยึดติดเพราะอะไรเพราะยึดถ้ายึดติดแล้วทําให้เราทุกข์นี่เราไม่ควรจะยึดติดเช่นของที่ไม่เที่ยงเราไปยึดติดเราก็อยากจะให้มันเที่ยงพอไม่เที่ยงเราก็ทุกข์เราเสียใจเนี่ยเช่นร่างกายของเราเนี่ยเราอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆเรายึดติดกับร่างกายของเรา แต่ยึดติดแล้วมันเป็นโทษเป็นทุกข์กับเราเราก็ไม่กลืนที่จะไปยึดติดนั้นแต่สิ่งนั้นที่เรายึดติดแล้วมันทําให้เรามีความสุขไม่เป็นโทษกับเราเราก็ยึดติดได้เช่นบุญนี่ยึดติดได้เพราะยินบุญนี่ไม่เป็นโทษ ก, กับเราบุญนี่มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทําให้จิตใจเรามีความสุขเราต้องเข้าใจคําหมายว่าของการยึดติดยึดติดกับอะไรสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ก็ยึดติดได้สิ่งที่เป็นโทษก็ไม่คลืนย่จไปยึดติด คุณชาญยุทธครับบอกว่าหลวงตามหาบัวเล่าว่าจิตท่านเสื่อมเพราะการทำกรดเพียงหลังเดียวกับเรียนถามว่าจิตคนเราเมื่อทำให้เป็นสมาธิแล้วทำไมถึงเสื่อมง่ายขนาดนั้นครับดูเหมือนว่าจะต้องประครับประคองจิตที่เป็นสมาธิแล้วอยู่ตลอดเวลาครับก็มันก็เป็นเรื่องของการที่รักรักษา เ, เหมือนคนวิ่งมาราธอนเนี่ยถ้าคุณวิ่งมาราธอนได้แล้วคุณเลิกไปสักปีหนึ่งแล้วคุณกลับมาวิ่งใหมด่ดูนะถือว่าคุณจะวิ่งได้เหมือนตอนที่คุณ ฝึกวอร์มลมอยู่ฝึกฝนอยู่ทุกวันหรือไม่มันก็คงยจะวิ่งยากอาจจะต้องมาค่อยๆมาค่อยๆวิ่งใหม่อาจจะวิ่งทักมาราธอนก่อนแล้วค่อยเดินไปเพราะกําลังที่เคยเคยสร้างขึ้นมามันไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันสติที่เราเคยสร้างเพื่อให้เข้าสมาธินตอนที่เราทําทําทําอย่างต่อเ น, นื่องมันก็เข้าสมาธิได้อย่างสะดวกได้ได้อย่างง่ายได้ แต่พอเราหยุดไปเราไม่มันจเจริญสติปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านคิดถึ้งเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปพอถึงเวลาจะมาเข้าสมาธิก็เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติเราจําไม่ได้ว่าวิธีเข้าสมาธิเมื่อก่อนให้เข้าอย่างไรก็เลยต้องมาทบทวนอยู่พักหนึ่งแต่ในนี้ ก, ก็จำได้ว่ า, วาพ่อรับขาดบริกรรมพุโทโธพุโทโธท่านบอกท่านก็เลยกลับมาบริกรรมพุโทโธทั้งวันทั้งคืน แล้ในที่สุดท่านก็สามารถกลับเข้าสมาธิได้ฉ <Okay. S 1> ั้นของพวกนี้ถ้ายังไม่เป็นแบบออัตโนมัติสติอปัญญาอัตโนธนิอัตโนมัน ต, ญญ ต, ต, ตมิคือไม่ต้องบังคับไม่ต้องมันมันมันเป็นอยู่มันเองไปแล้วมันก็จะไม่เสี่อแต่ถ้ามันยังเป็นของที่ล้มลุกคลุกคานอยู่ยังไม่เป็นสัมปชัญญะถ้า ถ, ถ้าทํามันก็เข้าได้ถ้าไม่จารสติมันก็เข้าไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วแต่ว่าฝันเห็นท่านบ่อยๆสงสัยว่าท่านไปเกิดหรือยังครับความฝันเรากับความจริงของท่านเปนคนละเรื่องกันความฝันเราก็เพราเราคิดถึงท่านเราก็ฝันถึงท่านบ่อยๆจะรู้ได้ว่าท่านไปเกิดหรือยังก็ต้องมีอภิญญามีมีความสามารถที่จะดูติดตามดูกายทิพย์ต่างๆอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยติดตามดูกายทิพย์ของพุทธมารดาได้ก็รู้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ ก็สามารถติดต่อได้แต่ถ้าเราไม่มีอภินญาเราก็ไม่รู้นอกจากว่าเขาเข้ามาเข้าเข้ามาคุยกับเรามาเจอเราแล้วพูดคุยกับเราเราก็ต้องมีอภินญาสามารถติดต่อกายทิพย์ได้คุณเฟื่องครับเพื่อนฝากถามว่าเราสามารถนั่งภาวนาโดยกาหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธไปเรื่อยๆในสถานที่เงียบๆกับเรานั่งภาวนาโดยกาหนดลมหายใจเข้าออก เหมนการแต่เปิดฟังธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอนาัปบาอาจารย์หลวงตามหาบัวไปด้วยได้หรือไม่ครับอันไหนจะได้อ น, นิสงส์งมากกว่ากันครับคือถ้าเราสามารถภาวนาได้โดยที่ไม่ต้องใช้การฟังธรรมนี้มันจะเข้าสมาธิได้ดี ก, กว่าเช่นถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกได้แต่สำหรับคนบางคนนี่ยังไม่สามารถไม่ไม่มีสติพอที่จะควบคุมใจให้อยู่กับการดูลมได้นาน ได้ไปสักพักหนึ่งเราก็อาจจะเผลอสติปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ทําให้นั่งต่อไปไม่ได้มันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องอาศาัยการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเพราะการฟังเทศฟังธรรมเราเพียงแต่เกาะอยู่ที่เสียงธรรมนั่นเองเราไม่ต้องดูลมไม่ต้องบริกรรพุทโธใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์เกามเราถ้าเราเพ่งตาคอยติดตามเสียงธรรมไป ถ้าเราเข้าใจความหมายของธรรมที่เราได้ยินได้ฟังก็จะเกิดปัญญาถ้าไม่เข้าใจแต่ก่อติดกับเสียงไปเรื่อยๆก็จะทำให้จิตสงบในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นรวมเป็นอัปปนาสมาธิแต่ก็เป็นเป็นความสงบที่พอที่จะทำให้เราไปต่อยอดได้คือถ้าเรานั่งฟังธรรมเสร็จแล้วเราควรจะนั่งภาวนาต่อโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้เสียงธรรมใช้พุทโธแทนแล้วใช้การดูลหมหายใจเข้าออกแทน คุณกลพลพันธ์ครับเคยฟังพระปฏิบัติบอกว่าตายแล้วจิตจะไวต่อวัฏะสงสารจิตวิ ญ, ญญาณจะรีบเกิดใหม่เป็นสัตว์คนได้กรรมทามาใช่ไหมครับไม่ทราบเหมอือนกันนะท่านพูดหมายเข้ า, าไว้ไงมันต้องเป็นไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่ทำนะนะอาจจะมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นด้วยถึงเวลาจะไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ ก็เหมือนก็ต้องรอ้อยมีพ่อแม่ที่เป็นมนุษย์ก่นที่ก็ไม่รู้เนะีจะไปหาพ่อแม่ที่ไหนอนาจจะมีพ่อแม่มีมนุษย์อยู่อย่างหลายโลกด้วยกันในในจักรวาลนี้ก็ได้ซึ่งเรื่องกระบวนการของการเกิดนี่เราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้แต่รู้พูดได้ตามหลักกลางๆว่าเมื่อตายแล้วบุญกับบาปนี่จะเป็นผู้ให้เราไปรับผลบุญผลบาปก่อนในสุคติด้วยในทุกคติ พอพ้นอำานาจของบุญของบาปนะเราก็จะมารอรับรั่งกายของมนุษย์ใหม่ไม่ใช่เราจะสั่งได้ว่าเมืออาหารจานหนึ่งเออเอาเวียเดียวชามเอาเดี๋ยวนี้นะมันเชื่อสั่งไม่ได้กระบวนการของการกลับมาเกิดใหม่แล้วสั่งได้ก็กลับมาเกิดกันเร็วคนทุกคนเลยไม่นองมาใช่ไตายวันนี้พรุ่งนี้อีกเ้าเดือนก็กลับมาเกิดใหม่เลยคุณอรพินครับ ตายแล้วไปไหนไปตามแรงกรรมที่ตัวเองทำไว้แต่มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วถ้าทำกรรมดีไว้เยอะจะไปภูมิที่ดีก่อนไหมครับใช่ก็ถ้าถ้าถ้าฝ่ายดีมีกำลังมากกวา่าฝ่ายดีก็ดึกไปเกิดในสุขติไปสวรรค์ถ้าฝ่ายชั่วมีกำลังมากกว่าก็ดึกไปเกิดในอบยัยจนกว่าจนกว่าดีกับชั่วมีกำลังเท่ากันก็จะมารอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ คุณแม่เสียไปแล้วสองปีแต่ฝันเห็นท่านบ่อยบ่ยแสดงว่าท่านยังห่วงเราอยู่ใช่ไหมครับเราห่วงท่านมากกว่าคุณดําครับเคยได้ยินมาว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวบางตัวตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ทําไมสัตว์เดรัจฉานไม่เคยทําบุญไม่เคยปฏิบัติธรรมถึงสามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ครับก็หมดบาปเนไม่ใช่บาปการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับไ่ติดคุก หมดเวลาเขแล้าก็าปล่อยออกมาจากคุกตำลางการไปเกิดนี่ก็เป็นการไปเกิดการไปเกิดเป็นสันเดรชารก็คือการไปใช้บาปพอใช้ไปเรื่อยๆพอบาปหมดกำลังที่จะเดินให้ไปเกิดเป็นเดรชารก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้มีคอมเมนต์ว่าฟังธรรมเพลย์ลิสของพระอาจารย์อยู่ครับฟังซ้ำๆบรรลุธรรมครับ ถ้าเจะขอให้มนุษย์จริงๆนะมีบ้านหนึ่งที่ผ่านตอนพระอาจารย์บินทบาททุกวันก็เปิดตลอดวันเลยใช่ไหมครับใช่ันนี้ก็เปิดทั้งวันเลย <c oughs> มีแฟลตได้แล้วก็มีรูปุูกก็ซื้อเครื่องเล่นแผ่นได้มาให้ปฟังก็ว่าวันทั้งวันยังไม่ฟังเลยฟังธรรมะแล้วสบายใจ คุณธนิตบอกว่าขอโอกาสท่านครับเมื่อก่อนผมได้ฟังธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านว่าไม่กล้าเ อ, อไม่กลัวและไม่กลัวตายแล้วครับคนต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเมื่อตายไปตามภพภูเหมือนคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่ครับเหมือนกันบุนกระ บ, บางนี้ไม่ไม่เลือกว่าเป็นคนชาติไหนเป็นใจเป็นดวงวิ ญ, ญญาณเหมือนกัน เกคุณหมอรักษาพยาบาลคนไข้ก็ไม่เลือกชนชาติใช่ไหมแต่เป็นชนชาติไหนนั่งกายก็เหมือนกันเนั้นจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็ถูกบุญกั บ, บาคบครอบงำเหมือนกันถ้านิพพานไปแล้วดวงจิตจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดิมจิตก็อยู่ในโลกทิพย์แต่จิตไม่ส่งกระแสมาเกาะร่างกายใหม่ หลวงตาครับใส่บาททุกวันไม่ถอดรองเท้าได้หรือไม่เพราะที่หน้าบ้านต้นไม้สกรปรกแล้วก็มีขี้แมวด้วยไม่ถอดรองเท้าจะบาปไหมครับคือการถอดรองเท้านี่เป็นการแสดงความเคารพนะท่านบอกเพราะว่าพระท่านก็ไม่ได้ใส่รองเท้าถ้าเราใส่รองเท้าก็เหมือนกับว่าเราเรายกตนข่มท่านเราสูงกว่าท่านใส่รองเท้าเพราะคนโบราณถ้าเป็นเจ้านายก็จะใส่รองเท้ากันถ้าคนเป็นคนไพลายก็จะไม่เป็นรองเท้าใส่ งั้นถ้าเาอยากอยากเคารบทางเนยวเคารพผู้ที่มารับทนานล้วก็ไม่ควรจะใส่รองเท้าก็ทําความสะอาดที่เราใส่หน่อยไม่ได้หยมันจะลำบากนะเอาอะไรมา ก, กว่าหน่อย <c oughs> แล้วทำบุญทั้งทีทําไมต้องมามีเงื่อนไขกับไว่าใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่รองเท้าหลงตาท่านเคยพูดเนี่ยท่านเป็นธรรบาดไปแล้วท่านเห็นคนใส่รองเท้าท่านจะพูดว่าเอ่อเท้าเปื้อนมันนั่งได้นะแต่ใจเปื้อนนี่มันลัางยาก ใช้เพืกิเลสครับเวลาทําบุญทําทานไม่ได้อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ถือว่าเสียโอกาสในการสะสมบุญไหมครับไม่เกี่ยวกันการอธิษฐานขอไม่ได้คําจริงคําอธิษฐานนี่มีความหมายหนึ่งก็คือความตั้งใจคือเราตั้งเราตั้งก่อนเราจะใส่บาตรเราต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมว่าวันนี้เราจะไปใส่บาตร คือตั้งเป้าของการกระทําของเราอันนี้แหละคือคําว่าอธิษฐานในในหลักธรรมจริงๆก่อนจะทําอะไรได้เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนเช่นคืนนี้จะเข้ามาฟังธรรมนี่ได้ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาฟังธรรมอันนี้แหละมาครั้นอธิษฐานอันนี้ต้องมีทุกทุกคนจะทําอะไรต้องมีมีการตั้งเป้าหมายไว้ก่อนยกเว้นมันเป็นกรณีแบบที่ไม่ได้ตั้งเป้แล้วถูกคนเข้ามาดึงไปชวนไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเช่นคืนนี้อาจจะ ไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังเทศแล้วพอดีเพื่อนชวนให้เข้ามาดูมาฟังหนะ่อยก็มาตามที่เขาชวนนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้อธิษฐานนะแตการอธิษฐานนี้เพื่อเป็นการปลูกมั่นใจเราให้ได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพุนเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเข้ามาขออธิษฐานว่าขอโน่นขอนี่นนนในพุทธศาสนาไม่มีสอนแบบนี้ไม่เกี่ยวขอไม่ได้เขางต่างๆนี่ต้องเกิดจากการกระทำของเราเองบุญหรือบา คุณแฮมครับความสามารถพิเศษบางอย่างที่บางคนเรียกว่าพรสวรรค์หลังตายไปแล้วจะอยู่กับจิตเราไปเสมอไหมครับทำไมบางอย่างจึงทำได้ง่ายคุ้นเคยบางอย่างยากแล้วหลังตายไปจะยังติดตัวต่อไปไหมครับไปมันจะติดไปกับเราจรันเรนนิสยัยเขาเรียกสันดานมันมีฝ่ายดีเราก็เรียกว่าเป็นกรรมพวกการความประพฤติที่ไม่ดีต่างๆเราเรียกว่าบาป ก, กรรมที่ติดตัวเราไปส่วน ถ้าเป็นบุญก็เรียกบาลามีเช่นบารมีสิาบเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายบุญเทวดาตกสวรรค์มาอยู่โลกมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะบุญบุญเนี่ยเหมือนกับจรวดที่หมดน้ำเครื่องบินที่หมดหมดหมดน้ำมันก็ต้องต้อจอดลงสนามบินบินต่อไปไม่ได้คุณแคทครับ คนที่มีหนี้สินแทบล้มละลายและไม่สามารถชำระหนี้ได้ถือว่าผิดศีลข้อใดและถ้าผิดศีลจะนับว่าผิดไปทุกวันจนตายหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้สร้างหรือติดหนี้สินใหม่อีกเลยครับคือการติดหนี้สินก็เป็นสิ่งที่ยังไม่ถือว่าถ้าไม่มีเจตนาที่จะโกงก็ยังไม่ถือว่าบาปถ้ามีเจตนาว่าไม่ใช้หนี้ถึงจะบาปแต่ถ้าใช้ไป ใช้บ้างใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้บ้างตามกำลังนี่นก็ยังไม่ถือว่าบาปถ้าอย่างนั้นเราเริ่มสร้างบุญตอนที่มีชีวิตยอยู่ตอนนี้ยังไม่สายไปใช่ไหมครับไม่สายหรอกคุณอัจฉราครับ เวลาเราใส่บาทพระจําเป็นจะต้องใส่ข้าวกับข้าวน้ำทุกครั้งหรือไม่ครับหรือเราแค่ใส่ของที่เรามีเช่นขนมนมแค่นั้นครับได้แล้วแต่ศรัท ธ, ธาแล้วแต่กําลังของเราบางคนมีข้าวอย่างเดียวใส่ข้าวทับเพียหนึ่งก็ได้แล้วแต่มีมากมีน้อยมีอะไรก็แล้วแต่จะทาอันนี้เป็นเรื่องของศรัท ธ, ธาตอนเด็กๆจะถูกสอนครับพระอาจารย์ว่าให้ใส่ให้ครบไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ครบ ชาตน้าไม่มีอย่างที่เราชอบสกินครับอมันปกติถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะใส่ให้ครบใช่ไหมเวลาเรากินเนาะยังกินข้าวกินกับกินน้ำแล้วทำไมเวลาเราทำบุญให้ท้าให้ให้คนอื่นทําไมเราไม่ทําให้ครบถ้าเราไม่ถ้าไม่มีกําลังที่จะทําก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีกําลังก็ควรจะทําให้ครบอย่างน้อยก็มีข้าวกับข้าวแล้วขนมสักถุงนึงอะไรเน้ําไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะน้ําเนี่ยหาได้ง่ายถ้ใส่น้าไปคนล ขวดหนึ่งมีสองขอวดเต็มบาทแล้วไปไม่ไหวแล้วถ้าไปองค์เดียวองี้ครับใครมินทบาทในกรุงเทพเนี่ยโอ้ยปาเจอมันน้ำทุกสองสามขวดนี่ทิ้งไปไม่ไหวเลต้องมาให้ขอทานให้เด็กข้างถนนไปครับถือไปไม่ไหวกันพระอาจารย์อยู่บินทาบาทในกรุงเทพไปองคเดียวเลยล่ะครับอาจารย์ก็ไปองคเดียวเพราะเราไปเที่ยวละไปไปอยู่เ่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่วันนี้ครับก็เลยไปอยู่ว่าเจอมินทาบาท ไม่มีไม่มีลูกศิษย์ติด ต, ตัวไปด้วยถ้าตั้งใจไว้ว่าจะไม่ขอมาเกิดอีกตั้งไว้ที่นิพพานอย่างนี้จะไปได้ไหมครับก็อยู่ที่เหตุที่จะพาให้เราไปนิพพานว่าเราทําเหตุนั้นได้ไหรือเปล่าเหตุที่ทําให้เราไปนิพพานได้ก็ต้องปฏิบัติอศีล ส, สมาธิปัญญาให้ได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไปถึงนิพพานได้ ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ายุงถือว่าไม่บาปแต่เราก็ต้องได้รับกรรมที่ทำไว้ด้วยใช่ไหมครับไม่หรอกก็ไม่ไม่บาปมันก็ไม่มีกรรมคาว่ากรรมกับบาปมันก็อันเดียวกันความหมายอันเดียวกันเป็นอบัติเหตุ น, นี่ก็ถือว่าไม่บาปลูกชายเพิ่นเสียครับอยู่ต่างประเทศไม่ได้ใส่บาตรแต่ทำบุญออนไลน์เขาจะได้รับเหมือนใส่บาตรไหมครับ คุณมาาหมออ่นไปเลยเมื่อกี้ลูกชายเพิ่งเสียครับตอดว่าอยู่ต่างประเทศไม่ได้ใส่บาทถ้าจะทําบุญออนไลน์เขาได้รับเหมือนใส่บาทไหมครับได้ได้คุณครองสติครับการดูดวงขัดต่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ครับแล้วมีผลเสียหรือไม่ครับมันก็ไม่ตรงกับคํำสอนเพราะคำสอนพระเจ้าให้ดูที่กรรมเป็นเป็นเป็น เป็นการชี้ชะตาชีวิตของเราเราเราจะไปทางทิศทางไหนทําบุญเราก็ไปสวรรค์ทำบาปเราก็ไปอาบายทาําล้จิตใจใซ า, ารเราก็ไปนิพพานอันนี้ของแท้ของจริงการท่องพระคาถาทุกบทจะต้องตั้งนโมสามครั้งทุกบทหรือไม่ครับแล้วแต่เราแล้วแต่เราเราจ ะ, จะตั้งก็ได้ถ้าเราอยากจะ การตั้งหน้ามวยเป็นการยกครูไงเขารพพระพุทธเจ้านโมตัดสัตวนะ้ราเรามายถึงก่อแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันเประเสริฐครับคุณแฮมครับสุนัขที่เรารักสามารถตายแล้วไปเป็นเทพบนสวรรค์หรือตกอบายหรือไปเป็นมนุษย์โดยอาศัยเหตุใดหรือคิดจากการใช้กรรมจหมก ค, ครับ ถ้าถ้าพ้นบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนอยังไปสวรรค์ไม่ได้ต้องมาสร้างบุญให้มีมากกว่าบาปก่อนเพราะตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นช่วงที่บาปกับบุญมีกําลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถดึงไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงเอาไว้ในบายได้ก็เลยถูกปล่อยให้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็อยู่ที่เราว่าเราจะมาสร้างบุญหรือสร้างบาปต่อถ้าสร้างบาป ม, มากกว่าบุญก็ยังกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉานใหม่ แต่ถ้าสร้างบุญมากกว่าบาปก็จะไปไปสวรรค์ได้มีคุณแม่ที่ติดเตียงตาบอดอารมณ์ร้ายขัดขืนเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ้าป้อนข้าวขอโหนทางวางใจด้วยครับก็ลองพูดกับท่านยินดีก่อนเนี่ยให้ท่านยินดีก่อนจะ่าไปบังคับท่านบางทีท่านยังไม่พร้อมที่จะไปเปลี่ยนก็ทําให้ท่านโกรธได้เรารอเวลาคุยกันดีๆแม่ขอเปลี่ยนผ้า เอาไมมถามนะไม่ใช่ไปบังคับท่านบังคับท่านท่านก็นจะโกรธขึ้นมาให้ท่านเป็นคนตัดสินเอาว่าท่านต้างกาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ชาวบ้านคนธรรมดาบารรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลกับพระสงฆ์ที่ยังไม่บรรลุธรรมใดๆเลยแบบนี้ใครต้องเคารพใครครับคือตามสมมติก็ยังเคารวาก็ต้องคารวพระอยู่ดี ถึงแม้คาราวาเป็นพระอรหันแต่ถึงว่าคาราวาเป็นพระอรหันแต่พระเป็นเป็นพระผู้เป็นปุูุชนแต่ทางทางสมมุติเน่ก็ยังถือว่าพระนี้เป็นผู้มีศีลคาราวานี่ยยังไม่ถือว่ามีศีลเท่าพระก็ยังต้องเคาวรวพระอยู่กับพระด้วยการก็นับพรรษาปกติเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็ในในประวัติของปู่มั่นก็มีคนถามมาหามนี่กับหลวงปู่มัน่น ท่านก็แสดงว่าเวลาผ้าอาริยะบุคคลเขามาประชุมกันนี่ท่านเขานั่งกันอย่างไรท่านบอกว่าถ้าเป็นผ้าอาริยะบุคคลเวลาไปประชุมกันถ้าเป็นถ้าเป็นไม่ไม่ไม่ได้นับสมมุติเขาก็จะเขาก็จะไม่นับเขาก็ไม่ถือว่าใครมานั่งก่อนนั่งหลังใครมาก่อนก็นั่งข้างหน้าก่อนใครมาทีหลังก็นั่งข้างหลังแต่ถ้ายึดตามแบบสมมุติหรือแ่้จะเป็นผ้าอาริยะด้วยกัน ก็ต้องดูพรรษาพรรษาใครมาสูงกว่า้านั่งข้างหน้าก่อนพรรษาน้อยก็นั่ข้างหลังไปตามลาดับการมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่วุ่นวายตอนนี้การทําสมาธิถือศีลรู้สึกในทุกขณะจิตเวลาทํางานอย่างนี้ทําถูกต้องไหมครับการรักษาศีลก็ถูกต้องการมีสติก็ถูกต้องแต่ต้องทําเพิ่มต้องนั่งสมาธิทําำจิตแท้รวมด้วยให้จิตสงบ เพราะการจารนิสติก็เพื่อที่จะมาใช้การฝึกสมาธินีเ่เพราะเราต้องการให้จิตสงบเพราะนี่คือเป้าหมายที่ควรจะไปให้ถึงให้ได้เพราะถ้าจิตสงบแล้วเราจะพบกับความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่จะทําให้เราไม่ต้องมาอาศัยความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วการต่อไปคุณสมบูรณ์ครับมีเกณฑ์อะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าขึ้นสู่ระดับอริยะโสดาบันแล้วครับ ก็มีสังโยชน์สิบข้อด้วยกันที่จะต้องละสังโยชน์ก็คือกิเลสที่ผูกมัดจิตใจให้กลัมาวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็วันนี้กอยางคงยังไม่เข้าไปรายละเอียดถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปอ่านดูสังโยชน์สิบลงค้นหาอยู่ในอก็จะต้องละสังโยชน์ล่านี้ไปให้หมดจากใจคุณแก้วครับ เวลาที่นั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้พ่อแม่ท่านจะได้รับส่วนบุญไหมครับถ้าพ่อแม่เสียก็ได้เอ่อไม่ใช่ขออภัยถ้านั่งสมาธินี้ยังไม่ได้เพราะว่าสมาธิยังไม่เกิดผลเกจยังไม่ดวงแล้วก็ไม่มีการสอนเพีการบอกผ่านโดยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนให้ให้อุทิศบุญในการนั่งสมาธิแต่อาจารย์วิก็ไม่ห้ามไม่ว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะเพราะว่าบุญ ผลมันยังไม่เกิดเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นบุญเที่อุทิศไปให้กับผู้ลงรับไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นถ้าอยากจะอุทิศให้กับผู้ลงรับไปแล้วก็ควรจะทําบุญทําทานใส่บาตหรือบริจาคงินให้โรงพยาบาลหรือให้กับโรงเรียนนี่ก็ได้ตอนนี้เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันคุณประพัดสอนครับ เนื่องด้วยปัจจุบันทำงานได้เงินเดือนไม่ค่อยเยอะแต่ก็ให้เงินเดือนพ่อกับแม่ทุกเดือนโดยให้เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่เราได้อีกส่วนเราเก็บไว้ใช้เลี้ยงชีพตัวเองแต่พ่อกับแม่ก็ยังคงต้องทํางานอยู่ถึงแม่อายุใกล้จะ60แล้วเนื่องจากเงินที่เราให้ยังไม่เพียงพอสําหรับการภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านในการที่เราไม่สามารถที่จะให้ท่านออกจากงานได้เนื่องจากเงินเงินเดือนเราน้อยตําแหน่งงานก็ไม่ได้สูงรับภาระทุกอย่างไม่ไหว อย่างนี้ถือว่าอักตันยูเลี้ยงดูท่านไม่ดีไหมครับพอท่านยังต้องทํางานอยู่ถึงแม้อายุจะเยอะแล้วครับถ้าเราทำอย่าที่ตามกำลั ง, ขอ ง, งของเราแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นคนทีคนกตัญญูอยู่แล้วนะคนเรามันบงทีมีการสามารถม า, ากน้อยต่างกันไปเราก็ต้องทำไปตามเท่าที่เราทําได้ไม่ถือว่าเป็นอักตันยูถือว่าเป็นความกตัญญู วันเสาร์อาทิตย์ได้นั่งสมาธิฟังธรรมรู้สึกใจฟูมีความสุขเหมือนได้อยู่บนสวรรค์แต่พอถึงวันจันทร์ต้องไปใช้ชีวิตทํางานเลี้ยงชีพมีความรู้สึกขดหูไม่อยากไปเหมือนต้องกลับไปสู่ห้องขังหรือเด็ดังไปตกนรกแบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมครับไม่หรอกว่ามันมนผลต่างกันไงเวลาเราฟังเทศฟังธรรมเรามีความสุขเวลาเราไปทํา ง, งานแล้วเราต้องวุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องการมันก็เลยเป็นปกติเป็นธรรมดาที่เราไม่อยากจะไป แต่เราก็ต้องใช้เหตุผลสอนใจบังคับว่าถ้าไม่ไปทํางานก็ไม่มีรายได้เราก็ต้องยอมยอมอดทนยอมเจอกับความวุ่นวายเพื่อที่จะแลกเปลนเอารายได้มาเพื่อเลี้ยงระเลี้ยงชีวิตของเราต่อไปนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสว่างขนาดเหรียญบาทสวมอยู่ตรงหน้าผากคืออะไรครับไม่ต้องไปสนใจนะมันจะเป็นอะไรเขาให้กลับมาดูลมเระพุโทโธต่อ มันเป็นปรากฏการณ์ทางด้านจิตใจเวลานั่งสมาธิมันจะมีอะไรหลายๆอย่างปรากฏขึ้นมาเป็นแสงมากเป็นเสียงมากเป็นรูปมากอย่าไปให้ความสําคัญให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเขาออ้าหรือพุทโธแล้วแต่กรณีถ้าเราดูลมก็กลับมาดูลมต่อถ้าเราพุโทโธก็กลับมาที่พุโทโธต่ออย่าไปสนใจกัรรมาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิ คุณจีดาภาครับหากเราต้องช่วยดูแลบิดาด้วยในประจําวันเราสามารถที่จะถือศีลแปดด้วยได้หรือไม่อย่างไรครับแล้วแต่เราซื้อได้ก็ดีถ้าถือไม่ได้ก็ถือศีลห้าไปก่อนก็ได้ <c oughs> จะใช้ทำข้อใดระงับความโกรธเกลียดได้ดีที่สุดครับคือก่อนความโกรธเรานี้เกิดจากความอยากของเรา อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นนี้พอไม่ได้ดังใจอยากเราก็โกรธขึ้นมาวิธีทําให้เราไม่โกรธก็คืออย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมาชาติของเขาเขาเป็นกล้วยก็ปก่อยก็เป็นกล้วยไปเขาเป็นสับปะรดก็ปล่อยอก็เป็นสับประรดไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นต้องยอมรับสาภาพความเป็นจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขา คนที่ตายไปแล้วหรือเพิ่งตายไปตัวธาตรู้ของเขาจะยังสามารถรู้ได้หรือไม่ครับและธาตรู้นั้นจะยังมีความรู้หรือความจําได้อยู่หรือเปล่าครับก็เหมือนตอนนอนหลับนะี่ยเลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนนั้นเราก็จะไม่รู้เรื่องของร่างกายต่อไปแต่ในทั่วเขาในตัวธาตรู้นั้นยังมีความรู้อยู่ยังจำได้อยู่จำเรื่องราวต่างๆได้อยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้รู้ทันทีในขณะนั้นก็ไดาจะต้องมานึกถึงอีกทีหนึ่งบางทีก็ลืมนะเช่นเวลาเรามาเกิดใหม่เราก็จะลืมเหตุการณ์ต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในพบก่อนชาติก่อนเพราะว่ามันอาจจะเป็นเวลาหลายปีด้วยกันกว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ดเว้นคนบางคนที่มีความจําดีเช่นมีมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีเด็กบางคนเกิดมาแล้วยังจําได้ว่าชาติก่อนอเคยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ ล้วก็ให้ผู้ใหญ่พาไปแลสามารถบอกไนดะ้ว่าตรงนั้นตอนนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของความจำของเด็กคนนั้นแลาการที่เขากลับมาเกิดก็อาจจะกลับมาเกิดเร็วอาจจะไม่กี่ปีตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เลยก็ ไ, ได้อันนี้ก็เป็นไปได้คุณแม่เสียไปแล้วแต่ยังนึกถึงท่านแล้วโทษตัวเองตลอดว่าดูแลท่านได้ไม่ดีพอจะต้องทำยังไงดีครับ ก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆทุกครั้งที่เราคิดถึงท่านก็ทำบุญอุทิศไปถ้าเราบริจาคเงินให้โรงพยาบาล1น 0,000 บาทโดยมีเงื่อนไขคือโรงพยาบาลสามารถใช้จ่ายได้เฉพาะดอกเบี้ยของเงินก้อนนี้เท่านั้นเราจะได้บุญเท่ากับเงิน1น 0,000 ที่บริจาคไปแล้วหรือได้บุญเฉพาะดอกเบี้ยของเงินนี้เท่านั้นครับถ้าตามความรู้สึกของเร า, เราคิดว่าได้ได้แค่บุญจากดอกเบีย้ย อ่างหนึ่ก้ อ, นอันยังไม่ได้ให้เขอไปใช้เขาก็ใช้ได้แค่ดอกเบีย้ยท่านเองครับปรับใจให้ไปเลยดีกว่านะครับอาจารย์อให้เขาไปใช้เหมือดไปเลย <c oughs> คนมีจาคะเป็นนิสัยนำเข้าสู่พระโสดาบันได้ใช่หรือไม่ครับก็ <c oughs> เป็นเหตุที่จะพาให้ไปไปสู่โสดาบันได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีจาระ ค, าคนมีจาระก็จะเป็นคนที่ใจบุญ แล้วก็จะชอบรักษาศีลไม่ชอบเบียดเบียนผู้แล้วก็จะทําให้สามารถไปปฏิบัติธรรมไปฝึกสตินั่งสมาธิได้ถ้าคนไม่มีจ า, กการะ น, น, น, นิคนตเนีคนหวงห่วงเงินคนโลภอยากได้เงินก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมกันจะเอาเวลามาให้กับการหาเงินหาทองเพียง อ, อย่างเดียวก็ยากต่อการที่จะเป็นพระโสดาบันได้ ปัจจุบันเจอปัญหาเพื่อนบ้านชอบปล่อยแมวมาขึ้นบนหลังคาบ้านเคยคุยกับเพื่อนบ้านถึงปัญหานี้แล้วเขาบอกจะไปจะไม่ปล่อยแมวเดินเพ่นพ่านอีกแต่ได้แค่ไม่กี่วันก็ปล่อยแมวอีกไม่ได้ทําตามที่พูดไว้ตอนนี้ต้องมาคอยล้างทําความสะอาดที่แมวบนหลังคาอยู่เรื่อยๆพอไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านควรจะวางใจอย่างไรครับผมคิดว่าเป็นวิบากกรรมของเราก็ <laughs> ากแล้วกันชาตก่อนเขาจะเคยไปทําอะไรกับเข้ามา้าต น, นี้เขาก็เลยมาเอาคืน แฟรว่าครับบอกว่าถ้าชาติหน้าหรือชาติใดๆเราไม่อยากจะเกิดมาเจอคนที่ทําให้เราทุกข์ใจในปัจจุบันเราจะต้องทําอย่างไรครับต้องไม่เกิดเท่านั้นนะว่าถ้ามาเกิดแล้วเราก็โอกาสที่จะต้องมาเจอคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราชอบเนยมันก็พอๆกันเรนเลือกไม่ได้ถ้าไม่อยากจะเจอใครเลยก็อย่ากลับมาเกิดเลยคุณมารีรัตครับ โยมไม่ได้ใส่บาทแต่หยอดตู้ทําบุญกับวัดพระบาทน้ําพุทุกเช้ามีอา น, นิสงส์งเหมือนใส่บาทรไหมครับเหมือนกันเหมือนกันถ้าเรามีเวลาน้อยก่อนนอนจะสวดมนต์บทไหนดีครับคุทโทก็แล้วกันสวนไได ไ, ไปเรื่อยๆพุทโทไปเลยกวจะหลับคุณชานยุทธครับพวกเทพเทวดาทําบาปอากุศลได้ไหมครับ ช่วงที่เป็นเทพเขาเขาไม่ได้เป็นเขาทำบุญรือทำบาปไม่ได้ก็เป็นเป็นรับผลบุญเขาจะมาทมําบุญหมือทำบาปได้เมื่อตอนที่เขกลับมาเกิดเป็นมนุษย์คุณนวลครับของที่ถวายสังฆทานแล้วเผลอไปหยิบอีกอย่างนี้ผิดไหมครับคือของที่ถวายพระแล้วนี่ถ้าโยอมไปแตะปั๊บนี่ถือว่าเของเอากลับคืนเป็นของโยมไปพระใช้ไม่ได้ อระถ้าจะใช้ของนั้นโยมต้องถวายให้ใหม่อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระถูกกล่าวหาว่าระขโมยของของโยมเลยดังนั้นเวลาที่จะให้พระใช้ของที่โยมจะถวายต้องถวายกำมือให้ท่านรับว่ากำมือจะได้ยื น, นยันว่าโยมให้แนละ้วแต่ถ้าโยมไปแต่ะป๊บนี่เป็นเหมือนกับส่งสัญญาณบอกว่าขอคืนนะพระก็จะเอาเอาของนั้นไปใช้ไม่ได้ ต้องให้การต้องให้การถวารแทนไหมคุณต๊ะครับการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในการอดอาหารหรือพ่อาหารครับขอคำแนะนําครั บ, ค, รบคือถ้าเราอยากจะอดอาหารเราก็ต้องอมีสติดีพอสมควรคือพยายามเวล า, เ, วราเราคิดถึงอาหารก็อยากก่าปล่อยให้มันคิด พยายามหยุดความคิดนั้นด้วยการเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปอันนี้ก็จะพอทาให้เราสู้กับความหิวที่เกิดจากความอยากกินได้นะวิธีหนึ่งถ้าเรามีสติพอที่จะหยุดความคิดถึงอาหารได้กนะ็อาจจะให้จิตคิดถึงให้ไปศึกษาดูสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูนั่นั่นแต่อาหารเข้าไปในปากว่าเนี่ยแล้วออกมาทางทวารเนี่มันไม่มีส่วนไหนที่มันน่าดูเลย อะไรนะส่วนส่วนส่วนต่างๆเหล่ า, าลนี้ของอาหารทุกครั้งเราก็จะไม่อยากจะกินกินไม่ลงอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานถ้านึกถึงอาหารในจานที่เขาประดิบประดามาให้ดูอย่างสวยงามน่ากินเห็นแล้วก็นั่งลายๆแต่พอคิดถึงเวลาที่มันเข้าไปประสบกับน้ํำลายในปากเราถูกเคี้ยวถูกบดจยกระทั่งกลายเป็นของเละเทเนนะไปแล้วถ้าถ้าคลายออกมานี้ก็จะกินไม่ลงอันนี้เป็นวิธี สกัดกั้นความอยากกินในลาออาหารมีลูกเป็นเด็กพิเศษครับกรรมของเราหรือกรรมของลูกครับกรรมของเขาเมื่อชาตินี้เป็นหญิงชาติหน้าเราจะเป็นชายได้หรือไม่ครับจะได้มีโอกาสออกบวชบ้างครับกวามเป็เคยเป็นชาติไนมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย แต่กเราจะเปลี่ยนนิสัยนะแต่เนีจากจากจากหญิงให้เป็นชายถ้ามีนิสัยเป็นชายมันก็จะเกิดเป็นชายถ้ามีนิสัยเป็นหญิงมันก็จะเกิดเป็นหญิงยกเว้นในกรณีที่มันผิดพลาดนิสัยเป็นชายแต่ไปได้ร่างกายของผู้หญิงก็มีและนิสัยที่เป็นหญิงก็ไปได้ร่างกายของผู้ชายก็มีอันนี้แต่เป็นส่วนน้อยอาจจะเรียกว่าเป็นอุบัติอุบัติเหตุของการผสมพันธุ์เร่ของการรองงาน ดับคู่ระหว่างจิตกับร่างกายกันได้ตอนนี้กำลังรับวิบากกรรมจากคนรอบข้างอยู่ครับมันเป็นกรรมเก่าที่เคยไปทำกับเขาไว้ใช่ไหมครับก็คิดอย่างนั้นก็แล้กันจะได้สบายใจคุณเจ้าแจ๊ะครับทำไมเวลาฟังธรรมหลวงปู่หลวงพ่อก็เทศเรื่องเดิมทานศีลภาวนากรรมบุญไตรักษ์มัก แต่อาัศาจรรย์ทุกครั้งสดใหม่ทุกครั้งทีงท่ฟังครับก็ธรรมะเป็นอาการในก่อนไม่เสื่อมตามการตามเวลาเป็นของใหม่ตลอดเวลาสดสดรอนร้อนตายตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างนี้ถือว่ามีบุญไหมครับก็บุญน้อย ผมที่ตายแล้วเกิดทันทีหรือไม่ครับก็แล้วแต่บุญกับบาว่าต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนไหมไหมถ้าไม่มีบุญหรือบาปต้องไปรับผลบุญก็จะมาเกิดใหม่ได้เร็วกว่าฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามาก็พบเหตุการณ์ตามที่ฝันเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เช่นนี้คืออะไรครับคือว่าเราฝันแม่นเลย แต่ก็ต้องคอยสังเกตดตูต้องเก็บสถิติดูอย่าไปหลงคิดว่ามันจะแม่นทุกครั้งไปหรือเปล่าต้องสังเกตดูเพราะถ้าเราไม่สังเกตดูแล้วเราไปหมาว่าต่อไปนี้ความฝันของเราจะต้องเป็นตามความเป็นจริงต้องเป็นความจริงแล้วพอมันไม่เป็นจริงเราก็อาจจะเสียใจแล้วผิดหวังได้ดัองนั้นอย่าเพิ่งไปชะล่าใจให้เราคอย คอยเก็บสถิติไว้เรื่อยๆก่อนหรือว่าฝันสิบครั้งแล้วตรงทั้งทั้งสิบครั้งหรือเปล่าถ้าตรงกันเราจะไรู้ว่าอเราฝันแม่นถาไม่ด้ลาฝันทั้งอะไรเราจะได้เต็มตัวรับกับเหตุการณ์แม้ล่วหน้าก่อนได้ชีวิตหลังความตายมีจริงไหมครับและคนตายกี่วันถึงจะรู้ตัวครับก็กรัมาเกิดหม่ใช่ไหมหลังความตาย กางความตายถ้ายังไม่มาเกิดใหม่ก็ไปเป็นเทพไปเป็นเนรชานก่อนเนี่ยมันก็มันก็มีชีวิตชีวิตมันไม่ได้หมดไปกับความตายชีวิตมันไปต่อเพราใจที่เป็นต้นของชีวิตมันไม่ได้ตายใจก็ไปเกิดในภพต่างๆต่อไปคนที่ตายด้วยอายุน้อยๆเป็นเพราะว่าเขาหมดบุญหรือว่าเขาหมดกรรมครับก็แล้วแต่เราจะมองมันนะ แต่ว่าหมดมุนก็ได้มุนไม่มีแค่นี้ก็เลยอยู่ได้แค่นี้าะว่าหมดกรรมก็ได้เพราะกรรมาเกิดก็มันก็ต้องมารั้ผลกรรมเกิดมาแล้วก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆคุณมาลีรัตครับโยมีพี่น้องหกคนแต่มีโยมคนเดียวที่ชอบสวดม น, นั่งสมาธิเพราะอะไรครับเพราะาอดีตชาติมีทำมาไม่เหมือนกัน เอาห้าคนงั้นเขาไม่ได้สนใจก็ไม่ได้เคยฝึกพวนมลมมาทำนี้ส่วนเราเคยฝึกพวนอลมมาทําให้มาการนมันติดเป็นนิสัยมากับเราการนั่งสมาธิคือนั่งนิ่งๆแล้วภาวนาพุทโธก็ถือว่านั่งสมาธิแล้วใช่ไหมครับยังคือนั่งแล้วแต่ยังไม่ได้ผลการนั่งสมาธิาก็ให้จิตนิ่งนั่งกายนิ่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องหยุดจิตต้องหยุดคิดให้ได้ มมผิดใจกับเพื่อนรักจนเขาจะไม่มางานแต่งงานของเราควรจะทําใจอย่างไรดีครับก็เฉยๆไปเขาไม่มาก็เรื่องของเขาเข้ามาก็เรื่องของเขาไปคิดอย่างนี้ก็แล้วกันเราบังคับเขาไม่ได้จิตสงบมันยากมากตัวกิเลสรอบตัวมีเยอะมากๆจะต้องทําอย่างไรครับ ต้องฝึกสติให้มากมากก่อนต้องฝึกสติทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้นำเจํริญสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือให้เราผูกใจไว้ให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาคอยเฝ้าดูร่างกายในทุกกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของการกระทําอย่าให้ใจไปที่ยงเลยถ้าเราสามารถควบคุมใจให้อยู่กับร่างกายได้อยู่กับพุโทโธได้เวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่าย ถ้าครึ่งชีวิตแรกเราทำบาปมากครึ่งชีวิตหลังเราทำแต่บุญกุศลตายแล้วจะไปทางไหนครับก็ขึ้นอยู่กับว่าบาปกับบุญอันไหนยังมากกว่ากันถ้าบาปยังมาก ก, กว่าบุญก็ยังต้องไปทางอาบา ย, ยถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปทางสวราารค์เหมือนองคุลิมาองคุลิมาเขาฆ่าคนมาเก้า้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วพอมาเจอพระพุทธเจ้าไม่สามารถฆ่าพระพุทธเจ้าได้ แต่กลับได้เรียนรู้จากพระเจ้าว่าให้ไปฆ่ากิเลสแทนองค์ขึ้นองค์คูริมาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสจนบรรลุเป็นภาพอาหารพอเป็นภาพอาหารแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดไปใช้กรรมจากการที่ไปฆ่าคนต้อง9่าร้อยเคนเพราะจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปอยากทราบว่าทําบุญวันเกิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะได้รับบุญด้วยไหมครับ ถ้าเราไม่ส่งไปให้เขาเขาไม่ได้ถ้าเขายังอยู่เขาก็ไม่ได้ต้องชวนเขามาทาเขาต้องทำของเขาเองคือต้องเป็นความคิดของเขาต้องเป็นเงินหรือเป็นของของเขาพ่อแม่ทำผิดทำให้ลูกทุกข์ใจพ่อแม่จะมีความผิดหรือบาปต่อลูกไหมครับก็อยู่ที่เจตนาว่ามีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราหรือเปล่าถ้ามีเจตนาก็บาปถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาป การนั่งสมาธินั่งตอนไหนถึงจะดีที่สุดครับก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนครับแล้วแต่เราเราต้องทดลองดูแมวที่รักมากตายไปถ้าดิฉันภาวนาและอุทิศให้น้องๆจะได้ไปสุ่ภพภูมิที่ดีไหมครับไม่ได้หรอกเขาอยากใช้เขาได้ภพภูมิที่ดีทําบุญอุทิศไปดีกว่าทําบุญทําทานใส่บาตร ไว้สังฆทานหรือบริจารเงินให้ตอลงพยาบาลไปก็ได้คนที่ฆ่าตัวตายแต่ตายแบบรู้ตัวเราทําบุญให้เขาเขาจะได้รับไหมครับทําบุญแบบไหนถึงเขาถึงจะได้รับครับโดยใหญ่คนที่ฆ่าตัวตายเนี่จะไม่ได้ไปเป็นเปรต เ, เ, เนี่ยเขาจะไปตกนรกถ้ามากกว่าซึ่งไม่สามารถจะส่งบุญไปไปนรกได้ต้องร้ายก็มาเป็นเปรตก่อน การไม่ยึดติดเป็นหนทางให้ใจเราสงบแต่การดูแลลูกที่ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถสละได้ก็ต้องยึดติดตั้งสมาธิก็ไม่สงบบางวันจัดการเวลาชีวิตเราไม่ได้ทำอย่างไรดีครับก็เราทำไปตามหน้าที่ทำไปที่เดียวอย่าไปใจเราอย่าไปยึดติดกับตัวเขาเราต้องยอมรับว่าร่างกายของเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอยู่ที่แล้วแต่เหตุปัจจัย ว่าเขาจะดีขึ้นนี้ไม่ดีขึ้นนี้มันก็เรื่องของของเขาเรามีหน้าที่ดูแลเขาเราก็ดูแลไปอย่าไปหวังอะไรจากการทำหน้าที่ของเราแล้วกันเราตายไปแล้วเราจะได้ไปเจอกับพ่อแม่ของเราไหมครับไมไ่นอ น, อ น, นคนที่เอาแต่คิดว่าคนอื่นทําไม่ดีกับตนซึ่งไม่เป็นความจริง แถมยังไปอาฆาตพยาบาทสาปแช่งเขาคนที่มีมิจฉาทิฐิแบบนี้จะมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราได้ไหมครับแต่ไม่เจอกันอีกดีกว่าครับก็ใครที่เข้ามามามาล า, าวีเราก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราไม่ได้สวดมนต์แต่นั่งสมาธิทุกวันหรือมีสติรู้ลมทุกครั้งที่รู้สึกว่าจิตออกนอกแบบนี้ทดแทนกันได้ไหมครับ เก้อเป้าหมายก็คือเพื่อทำใจให้สงบถ้าใจยังไม่สงบก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได้ต้องทำให้ใจให้ใหสงบให้ได้คุณแพทย์ครับเมื่อตายไปแล้วจิตจะยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นในชาติที่แล้วได้หรือไม่ครับบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้แล้วแต่ความจำของแต่ละคนว่ามีมากมีน้อยต่างกัน หลายครั้งที่สวดมนต์แล้วร้องไห้เพราะชอบไปคิดถึงเรื่องที่เราเป็นทุกข์จะต้องทำอย่างไรดีครับก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงกรรมนาก็ับอยู่กับบทสวดมนต์อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์คุณสุมิตราครับคนที่ตายใหม่ๆช่วงสามวันแรกจะอยู่ที่บ้านที่เคยอาศัยหรือไปตามกรรมที่เคยทำครับไปเลยไม่อยู่แล้ว ตอนที่แม่เสียท่านเจ็บปวดทรมานมากภาพยังติดตาร้องไห้ทุกครั้งที่นึกถึงจนเป็นซึมเศร้าจะแก้ยังไงดีครับก็ฝึกสติทำใจให้สงบถ้าเรามีใจที่สงบแล้วใจเราจะไม่ซึมเศร้าคุณวัยสิย์ครับเราจะฝึกอย่างไรเพื่อเวลาที่ใกล้ตายทนทุกข์ต่อเวทนาได้ครับก็ต้องฝึกอยู่กับทุกข์ตอนนี้ก่อน อยู่กับความเจ็บของร่างกายที่วล่นั่งสมาธิแล้วเจ็บเขาก็อยับไปลุกพยายามใช้สติให้สู้กับความเจ็บของร่างกายให้ให้จิตปล่อยวางถ้ามีสติสติก็จะสามารถทำให้จิตปล่อยวางปล่อยให้ร่างกายทุกไปได้ให้ให้ร่างกายเจ็บโดยที่ไม่ใจใจยังไม่ต้องไปเจ็บ ก, กับความความเจ็บของร่างกายได้ถ้ามีสติทำใจให้นิ่งให้สงบ ใส่ปัจจัยไปตอนใส่บาตรได้ไหมครับคือถ้าเป็นวัิที่เขาไม่ไม่รับก็ไม่ได้ถ้าเป็นวัดที่เขารับก็ได้แล้วแต่เรามีมีอยู่สองสายแล้วกันสายหนึ่งก็ท่นก็รับปัจจัยได้รับเงินทองเองได้อีกสายหนึ่งท่านก็รับไม่ได้ต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์เป็นเทวดาสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ไหมครับ ได้ถ้ามีครูสอนต้องมีคนสอนอย่างพระพุทธเจา้าหรือพระหลานคุณป้ากินณกะครับถ้ารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ดูแลแม่ก่อนท่านจะเสียจะปรับความคิดนี้ได้ยังไงครับก็ยังสามารถดูแลแม่ด้วยการส่งทำบุญอุทิศไปให้ท่านได้อยู่จิตรวมเป็นอย่างไรครับ จิตสะอาดแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดู้เฉยๆแล้วก็มีความสุขอยากความนิ่งสงบถ้าต้องร่วมงานทํางานกับคนที่คิดอคติกับเราเราจะวางใจอย่างไรครับก็่เฉยๆปล่อยเข้าไปแลป้วไปเปลี่ยนเขาไม่ได้มองเขาว่าเป็นเหมือนผลไม้เราเป็นส้อมพย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยนั่นเอก็ปล่อยก็เป็นส้อมไป การรวมจิตเมื่อฝึกนั่งสมาธิหมายถึงอย่างไรครับเือจิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ไปหารูปเสียงกดลิ่นรสเข้ามาในใจดังนั้นใจจะว่างจากรูปเสียงกดลดกิ่นรสโผล่จะพลาดจะเหลือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่ตามบลำพังแล้วก็อยู่กับความสุขคุณแพทครับก่อนตายถ้าจิตห่วงลูกหลาน หลังตายจิตจะมาวนเวียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าผมมากผงน้อยเขาบอกห้ามฆ่าสัตว์แต่แมงมุมที่บ้านไม่ฆ่าไม่ได้จริงไปจะบาปไหมครับ่าสัไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็มีชีวิตมีจิตใจเหมือนกันหมดเขาก็กลัวความตายเขาก็ไม่อยากจะตายเราก็ไม่อยากจะตายเหมือนกันถ้าเราไม่ย้ายใน้คนื่อยมาฆ่าเราเราก็อยา่าไปฆ่าเขา คุณสัตววัตครับพ่อผมเสียชีวิตพราะฆ่าตัวตายตัวผมเป็นลูกทําบุญอย่างไรจะถึงท่านครับสังฆทานเพียงพอหรือไม่ครับทําหน้าแต่ท่านจะรับได้หรือไม่นะั่นก็เป็นเรื่องของสถานภาพของท่านเพราะว่าท่านอาจจะยังไม่ได้มีเวลามารอรับส่วนบุญอาจจะต้องไปรับผลบาปก่อน <Okay. S 2> อาจจะต้องไปตกนรกก่อนจนกว่าจะถูกปล่อยออกมาแล้วมาให้มาเป็นเปรตแล้วถึงจะค่อยมารับส่วนบุญไป เช้าเช้าเปิดฟังธรรมในห้องน้ําพระให้พรเราสาธุแต่ร่างกายยังอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกมัเนเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสายตาของใครก็ไม่เหมาะสมเต่นั่นเองแต่ถ้าเราอยู่ตามลำพังของเรานี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้ เราจะฝึกใจอย่างไรให้เรามีความมั่นคงทางอารมณ์ในการทํางานครับให้มีสติอยู่กับอยู่กับพูโทโธก็ได้อยู่การทํางานของเราก็ได้อย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าคิดแล้วมันจะไปเกิดอารมณ์พึ้นมาคือคิดกับงานได้คิดตามเหตุแท้คิดด้วยเหตุด้วยผลได้อย่าอย่าไปคิดด้วยความโลภความอยาก เวลาที่เห็นญาติหรือผู้อื่นเป็นทุกข์จะทำอย่างไรดีครับไม่ให้ตนเองเกิดทุกข์และความเศร้าใจครับก็อย่าต้องรู้ว่าสาเหตของความทุกข์เกิดจากอะไรเั่และครับเห็นนั้นความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่เออยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็จะทุกข์ใจกันเราก็ต้องพยายามระงับความอยากของเราใจเราก็จะไม่ทุกข์คุณวิสิตครับ พระองค์ุลิมานเถระทําไมถึงไม่ต้องใช้กรรมในการฆ่าคนครับถ้าคนทั่วไปฆ่าคนและกลับใจก็ไม่ต้องใช้กรรมหรือเปล่าครับต้องกรุสอบถามครับเ อ, อต้องเป็นพ้าอาหารหันนะัถึงไม่ต้องใช้กรรมคือจะไม่กลับมาเกิดเมื่อไม่กลับมาเกิดก็ไม่มีร่างกายที่จะมารับกรรมใส่ปัจจัยไปแทนอาหารได้หรือไม่จะได้บุญใหม่ครับกลับมาดยนะเด้เท่ากันได้เท่ากัน เหมือนกันคนที่ตายแสดงว่าใช้กรรมหมดแล้วใช่ไหมครับไม่หรอกหมดลมมากกว่า <c oughs> กรรมยังไม่หมดหรอหมดลมครับ <c oughs> การที่เราหลับไปแล้ว <c oughs> เห็นร่างกายตัวเองนอนอยู่ที่นอนแล้วตัวจริงมายึดมองร่างนั้นจิตเป็นแบบนี้สองครั้งนะครับ ก็เป็นความฝันของจิตนะควอมคิดตงแต่งของจิตคนจดหวยใต้ดินจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรครับเมื่อเสียชีวิตครับเขาก็เป็นอาชีพที่ไม่ผิดไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ผิดไม่บาปเป็นอาชีพที่สุดเจริญไม่มีผลต่อไม่มีวิบากกรรมต่อการทําอาชีพอย่างนี้ ถ้าถือสีลห้าไม่บริบูรณ์มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในการภาวนาไหมครับก็จะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่เพราะถ้าเราทำผิดสีลมันก็จะทำให้เกิด น, นิวรนคือความรู้สึกไม่ค่อยดีใจเราอาจจะฟุ้งเรือ่อาจจะวิตกกัวงวลกับบาป ท, ที่เราทำแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปใจเราก็จะไม่มีนิวรนคือไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจคับกับการการทบาปของเรา มันก็จะทำให้การภาวนาทำจิตให้สงบนี้มันง่ายกว่าจิต ท, ที่มีความวุ่นวายใจคุณอมพรครับพระที่อาบัตสังฆาทิเศษแล้วไม่ปรงอาบาัตบาปหนักไหมครับมีโอกาส ท, ที่จะบรรลุธรรมไหมครับก็ยังไม่ขาดจากความเป็นพระยังสามารถบรรลุธรรมได้ เคยทำสมาธิที่ผ่านมาแต่หยุดไปนานพยายามจะกลับมาเริ่มใหม่แต่จิตใจไม่สู้ผลัดไปเรื่อยแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องเริ่มต้นที่การฝึกสติก่อนอยังไม่ต้องท่านก็ได้พยายามจเจริญสติให้บ่อยขึ้นมากขึ้นด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในระหว่างวันก็ได้หรือ ด, ด้วยการบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ ทุกวันนี้คนสดเยอะคนเพศเดียวกันรักกันแต่งงานกันเองโอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์จะมีน้อยลงไปด้วยแสดงว่าผู้คนจะมีโอกาสเกิดเพื่อเดินทางไปสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์ก็จะเป็นไปได้ยากในอนาคตใช่หรือไม่ครับมันก็ไม่แน่หรอกเพราะว่ามันไม่อาจจะไม่ใช่มีแต่มนุษย์เพียงในโลกนี้ท่านั้เองอาจจะมีมนุษย์อีกหลายหลา ย, หลายโลกด้วยกันที่เราไม่รู้ก็ได้ซึ่งจิตของเราที่สามารถไปได้ทุกโลกเลย โดยไม่ที่ไม่ต้องใช้จรวดไม่ต้องใช้ยานอวกาศพาไปท่านบอกเพียงเดินนึกปัมันก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกิดยากไม่ยากนี่มันก็มันก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเราไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำสถิติว่าจะมีคนแต่งงานกันมากหรือน้อยเพียงไรอย่างไร ชาตินี้ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแต่ชาตินี้เจ็บป่วยทรมานมากเกิดจากกรรมเก่าหรือไม่ครับก็มีส่วนนะถ้าบาปกรรมที่เราทํามาในอดีตมันอาจจะทําให้ชีวิตเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าคนที่ไม่ได้ทํทาทําบาปทํากรรมมาก็ได้การเปลี่ยนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกต้องยึเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอยาเป็นอยากคนที่ชอบกินเหล้าเป็นเปลี่ยนเป็นคนไม่กินเหล้าอยากคนที่เป็นคนขี้เกียจให้กลายเป็นคนขยันขึ้นมาอันนี้จะเปลี่ยนพฤติเปลี่ยนชีวิตของเราได้แต่เปลี่ยนเลขหมายเปลี่ยนชื่อมันมันมันเปล่นมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคนที่ไปติดคุกชื่อบุญก็ไม่เยอะชื่อดีก็ไม่เยอะ ชีวิตก็กำลังดีทุกตามสภาพรวมๆก็สุขพอประมาณแต่ลึกๆรู้สึกทุกใจรู้สึกไม่เที่ยงตลอดเวลาจะแก้ยังไงครับก็ต้องมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบก่างกาก็จะหายทุกหากงานที่ทำนั้นทำให้เกิดความทุกใจเนื่องจากไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขได้เราควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องอย่าลความจริง ทำไม่ได้ก็ทําไม่ได้อย่าให้ทำเองหรอกเช่นอย่าให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกนี่มันก็อยากไปจะเป็นจมันตาลมันก็ขึ้นไม่ได้พระอาทิตย์จะต้องขึ้นทางทิศตะวันออกเพรฉนอย่าไปอยากทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์หรือเราเรายอมรับว่าเราทําไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์จะไปอินเดียครับควรจะถือสีนห้าหรือสีลแปดดีครับ แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าเราไปเพื่อภาวนาถือศีลแปดได้ก็ดีแต่อะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเพื่อภาวนาเราไปเพื่อท่องเที่ยวเราก็อาจจะรักษาศีลห้าก็พอก็ได้เพราเราจะได้กินอาหารได้ทั้งสามมือการถือศีลภาวนาแต่ไม่ได้เข้าวัดทําบุญเลยอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ ไม่เบาหรอกทำได้การปฏิบัติไม่ใช่หมายเขาว่าจะต้องไปที่วัดเสมอไปเพียงแต่ว่าการไปวัดมันจะเป็นมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าการที่ทําอยู่ที่นอกวัดคุยกับคุณแม่ทิรัยเหมือนจะทะเลาะ ก, กันทุกทีทั้งทา ง, งที่อดทนแล้วถ้าทําบุญแผ่เมตตาให้จะดีขึ้นไหมครับไม่ไดีหรเราต้องมีความเมตตาต่อกันคือเราต้องยอมรับเขา อย่าไปควางเขาอย่าไปทะเลาะปล่อยเขาพูดไปเขามีความเห็นอะไรของเขาก็ปล่อยเขาพูดไปอย่าไปทําให้เขาเสียใจเรามีบุญแล้วเกิดเป็นเทวดาไม่สามารถสร้างบุญได้ก็จะทําให้เราเสียเวลาในสังสารวัตรทาอย่างไรเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องเสียเวลาไปเป็นเทวดาครับอ๋อมันก็น อย่าทำบุญอย่าทำบาปให้มันเท่าเท่ากันให้บาปกับบุญมันเท่ากันนะตายไปก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยนั่งสมาธิแล้วพอจะนอนนอนไม่หลับครับจะทำอย่างไรดีครับก็ก็เพราะว่ามันมใช้มันมันที่มันไม่หลับเพราะมันยังคิดมากนั่นเองก็ต้องทำสติจัดนสติต่อไปดูลมดลมไปหรือพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิด คุณพ่อเศร้ามากหลังสูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งควรจะใช้ให้หลักธรรมข้อไหนกับพ่อดีครับแต่พ่อเ้าถามเราหรือเปล่าถ้าไม่ถามก็ไม่ต้องให้ถ้าพ่อถามก็บอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกข์ขานาตาที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดกับสิ่งที่มันเป็นอนิจจังอยากจะให้มันเป็นนิจจังอยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาก็ไม่อยู่กับเราก็เลยทําให้เราทุกข์ใจ อันนี้ต้องรอให้พ่าถามมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปสอนพ่อซึ่งมั็นสิ่งที่ไม่ควรก่อนแต่งงานนับถือพุทธแต่งงานเข้าศาสนาอิสลามเวลาตายจะได้พบญาติที่ล่วงลับไปแล้วทางพุทธไหมครับการไปพบญาติข้างหน้านี้ไม่มีไม่มี ร, รับประกรันได้ว่าจะได้เจอหรือไม่ มีบางสำนักแนะนำว่าเวลาทำพิธีขอขอมากรรมบิดามารดาให้มีเงินสดตามกำลังทรัพย์ของเราส่งให้บิดามารดารับด้วยเพื่อเป็นการชำระหนี้พ่อแม่จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองมั่นคงจริงไหมครับก็เป็นการกระทำความดีอย่างหนึง่งการแสดงความกตออัญญูก่อนเวทีก็เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตเราเนี้เป็นชีวิตที่ที่จเจริญขึ้น ความกตัญญูกับเวทีนี้เป็นหน้าฐานของของความเจริญของคนที่จะจะเจริญคุณพ่อเป็นมะเร็งตอนนี้รักษาแบบระคับประคลองไม่เคยปฏิบัติธรรมควรเริ่มต้นแนะนําธรรมะข้อไหนให้คุณพ่อดีครับอย่างที่พูดนะก่อนที่เราจะไปแนะนําอะไรให้กับใครนะเขาต้องถามเราก่อนถ้าก็ไม่ถามเราก็ไม่ควรที่จะไปแนะนํา การสวดมนต์ได้บุญไหมครับเราจะสามารถแผ่เมตตาได้ไหมครับคือการแผ่เมตตาเน้ต้องแผ่ด้วยการพบปะกันที่เวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่การสวดมนต์จะทําเป็นการสวดมนต์ไม่ได้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่อย่างไรขับรถบนทางหลวงด้วยความเร็วร้อยตอนเที่ยงคืนชนหมาไม่รู้ว่ารอดไหมแต่ขออโหสิกรรมทําบุญแล้ว บาปมากไหมครับถ้าเราไม่มีเจตนามันเป็นอุบัติเหตุก็ไม่บาปเลยถ้าเราไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดแต่เราฝากปัจจัยให้พ่อแม่ทําบุญแทนเราได้อานิสงส์จากบุญที่ทําบ้างหรือไม่ครับได้ได้หมดเลยอยากได้ของของคนอื่นบ้านรถเงินจากสามีเพราะดิฉันเลี้ยงลูกไม่ได้ ทำงานอยากได้แบบนี้บาปไหมครับถ้าได้มาโดยวิธีสุจริตก็ไม่บาปถ้าได้มาโดยวิธีทุจริตคือไปช่อโกงเขาไปหลอกลวงเขานี้ก็บาปวันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งได้ไปช่วยงานที่วัดอาหารที่ญาติโยมทานำมาทำบุญยกตัวอย่างเช่นไข่ต้มจัดได้เป็นสองถาดจบแค่ น, นี้ครับ เขียนต่อมาอีกทีนะครับตอนเรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกเรากําหนดจิตไว้ที่ไหนครับยึดจำนวนจิตที่น ม, มการดูลม่ก็เป็นการกําหนดจิตใหู้จิตเป็นผู้ดูลมคุณแม่เสียอยู่ในบ้านเขาจะรู้ตัวไหมครับตอนตายไม่มีใครรู้ว่าเสียที่ไหนตอนก่อนตายรู้อยู่ว่าอยู่ที่ไหนแต่พอตอนตายแล้วไม่รู้ ไว้นอนตอนนันหลับนีก่อนนอนหลับเรารู้ว่ า, าจะนอนที่บ้านเพราะเรายังไม่หลับแต่พอเราหลับแล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแนละ้วเท่านั้นปกติเราถือศีลห้าเป็นพื้นฐานทุกวันและหากวันหยุดหรือวันที่พร้อมจะถือศีลแปดเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ส่งผลบุญของศีลที่ได้รับแตกต่างมากน้อยไหมครับคือถ้าถือศีลแปดมันก็ช่วยทามัน ช่ว ย, วยเป็นการช่วยสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้ได้ดีขึ้นกว่าการรักษาศีลห้าเพราะศีลห้านี้ยังเรายังไม่ห้ามกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่มันก็จะทําทให้เราสามารถที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นต้นได้ถ้าเราถือศีลห้าเราก็จะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมเท่าที่ควรแต่ถ้าเราต้องการให้เวลามากกับการปฏิบัติธรรมเราก็ถือศีลแป แต่เขาจะรับ ก, กิจกรรมทางกรารทําตาม ก, รม ก, รมการบุคคลห้าคือรูปเสียงกีดรถเราก็จะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นต่างกันตรง น, นั้นมีคนมาขอยืมเงินครับเพราะเขาเดือดร้อนหากเราช่วยเขาแต่เราคิดดอกเบี้ยผิดไหมครับไม่ผิดหรอกก็เป็นการถ้า<น>เป็นาาการสมยอมก็ไม่ผิดนถ้าต้องมาขอก็อบอกว่ามันก็มีค่าใช้จ่า มันเป็นเป็นธุรกิจไปเป็นเหมือนก้อนไหนไปเช่าซื้อของซื้อของบางอย่างไปเช่าเของมาก็ต้องจ่ายค่าเช่าไปเช่าบ้านเช่ารถเอเป็นต้นนั่นก็เป็นเหมือนจิตค่ายอย่างหนึ่งคนที่ตายไปแล้วจําเป็นต้องขอดูไปลอยอังคารหรือเปล่าครับน่นนาจะสะดวกเราเจ็บไม้ก็ได้จะฝังดินก็ได้จะไปลอยอังคารก็ได้ถูกแท้แต่เรา เสกต่างประเทศนี่เขาให้เอาไปเผาจนกระทั่ ง, งกลายเป็นผงไปเลยครับหายไปยังไม่หายแต่เป็นผงไปเลยไม่มีไม่มีกัมหลูกไม่มีอะไรเป็นผงละเอียดเป็นเหมือนทรายไปเลยแล้วก็ไปโปรยที่ไหนก็ได้อยไปโปรยที่ไหนก็ไปโปรยได้ครัโปรยในาน้ำที่ไหนก็ได้ หนูสวดมนต์ก่อนนอนสม่ำเสมอแต่ไม่ได้นั่งสมาธิมีอานิสงส์งจากการสวดมนต์ไหมครับมีแตแต่จะน้อยกว่าการการนั่งสมาธิการสวดมนต์ก็เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแต่ยังอยู่ขั้นขั้นต่ำอยู่ยังสงบน้อยยังมันไม่สงบมากเท่ากับการนั่งสมาธิอดีตเคยทําให้พ่อแม่เสียใจมีน้ําตาด้วยความเขาวของเราปัจจุบันตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูท่านให้ดีที่สุด ตามกำลังกับขอพระพรพระอาจารย์ครับ ข, ขอพระอาจารย์แนะนําวิธีที่ไม่ทุกใจกับสิ่งที่เคยทำพลาดในอดีตครับก็ต้องยอมรับว่ามันผ่านไปแล้วไปคิดปันถึงมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เราก็พยายามทําในปัจจุบันให้มันดีก็แล้วกันอย่าไปทําซ้ําอีกก็แล้วกันทําอาชีพเขียงหมูครับแต่ต้องทําเพราะเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้เป็นบาปไหมครับ บาปบาปบาเพราะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เชื่อว่าเป็นบาปเพราะอย่า ง, งต้องต้องเลี้ยงชีพก็เหมือนสัตว์ในราชาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ในราชาในราชาเขาก็ต้องเลีชีพด้วยการค่าสัตว์ต่อชีวิตทำบุญให้ญาติที่ล่วงรับไปแล้วญาติจะได้รับบุญหรือไม่อย่างไรครับอยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่ถ้าเขาไม่ได้ ร, รับก็ไม่ได้รับ ต่อการเลยครับบออุทิศบุญให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาได้รับไหมครับคือบุญอุทิศให้คนเป็นไม่ได้ถ้าอยากให้คนเป็นมีความสุขก็ให้เงินเข้าไปแทนให้ของเข้าไปแทนให้เขาของเงินทองไปแทนที่ยาเอาบุญให้เขาเพราะว่าที่เราอุทิศบุญให้กับคนตายเพราะว่าคนตายรับข้าวของเงินทองไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนข้าของเงินทองให้เป็นบุญแล้วก็ส่งบุญไปให้เขา ถ้่ทานสรัคนเป็นเราก็ให้เข้าของเงินทองก็้าไปเลยเพราะเขาเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการบุญเขาไม่ต้องการแล้วบุญก็ให้ด้วยกันไม่ได้บุญที่ต้องทับกันเองถ้ารับเงินจากคนที่มีอาชีพสีเทาอย่างนี้เราบาปไหมครับไม่บาปคนมาใส่บาปพาดนี่เขาไม่รู้ว่าเก้าเงินมาจากที่ไหนบ้างไปขโมยมาหรือเปล่าไปเล่นการันดันมาหรือเปล่ามาเช่าโกงมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้รับ มันเกี่ยวกับผู้ผู้กระทำผู้ให้ว่าเขาหาเงินมาโดยวิธีไหนถ้าหาเงินมาโดยวิธีทําบาปเขาก็เขาก็ได้รับบาผลบาปของเขาไปแต่คนที่เขาให้เงินเรือให้ของคนที่ไปรับนี่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาปของเขาขอความใม้ตาครับถ้ามีเงินหนึ่งพันบาทในการทําบุญให้วัดกับการทําบุญให้โรงพยาบาลกุศลที่ได้รับแตกต่างกันไหมครับ เพื่อนชอบบอกว่าวัดมีเยอะแล้วมีครบแล้วโรงพยาบาลยังเดือดร้อนนะะ่าขาดแคลนอยู่ครับคือมันมีประโยชน์สองสองส่วนด้วยกันประโยชน์แรกคือการเสียสละเงินนี่ให้ใครก็ไ ด, ไ ด, ได้ได้ประโยชน์เท่ากันคือความสุขใจอิ่มใจเรียกว่าบุญส่วนป ร, ประโยชน์ส่วนที่สองก็คือเงินที่เราให้เขาไปเขาจะไปทำประโยชน์ได้มากน้อยเท่าไหร่ ถ้าไปให้ที่เขาขาดแคลนก็อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าไปให้ที่เ้าเหลือเฟือแล้วเพราะอา จ, จะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรการจัดงานศพ ส, สวดแค่หนึ่งวันได้ไหมครับไม่จัดเลยก็ได้เผาเลยก็ได้แล้วแต่เรา ภูบขออุบายในการลดละเลิกการเสพของสวยงามและความบันเทิงดาราการละครทั้งหลายด้วยครับดูความไม่เที่ยงขอพวกนี้มันก็เป็นของชั่วข่าวสวยงามเป็นชั่วข่าวเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของที่ไม่สวยไม่น่าการสวดมนต์ถ้าจิตเรานิ่งมากแต่เราไม่รู้คำแปลได้บุญไหมครับ ได้ท้าเนิ่งก็คือบุญนะเวลาจิตนิ่งแล้วเรามีความสุขจากความเนิ่งนั้นก็นบรรุณขึ้นมาศูญเสียบุคคลในครอบครัวควรทาอย่างไรดีครับก็ต้องอยอมรับความจริงที่พระเจ้าทรงสอนว่าเรามีการพัฒนาจากการเป็นธรรมดาร่วมคนจากการพัฒนาจากกันไปไม่ได้ถ้าเราใส่บาตรกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติ เราจะรวยทันตาเลยจริงไหมครับไม่จริงรอ่ะอยากตายแล้วอธิษฐานว่าไม่อยากเกิดแล้วจะได้เป็นอย่างจิตอธิษฐานไหมครับต้องทําท่ำถึงจะเป็นไปตามที่ที่ต้องการเพียงแต่คิดอย่างเดียวยังไม่สามารถทำให้มันเกิดขึ้นมาได้บุญแบบไหนได้อานิสงส์สูงสุดครับ กบุญเกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคือบุญที่เกิดจากการค่ากิเลสเนนะียเป็นบุญที่สูงสุดพูด ง, ง่ายๆถ้าเรลารัความโลภความโกรธความหลงได้เราก็จะได้บุญขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานให้ทานคนตกทุกข์ได้บุญไหมครับให้ใครก็ได้เหมือนกันคนให้เนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นใครจะตกทุกข์กอไม่ตกทุกข์ก็ได้ คนใทยได้หมดชอบภาวนาครับแต่สวดมนต์น้อยได้ไหมครับได้ไม่ไม่สวดอะไรก็ได้ภาวนาอย่างเดียวเลยก็ได้เพราะภาวนานี้จะได้ได้ความสงบมากกว่าการสวดมนต์แต่เหตุที่คนที่สวดมนต์เพราะว่าบางทีเขายังภาวนาไม่ได้เราก็เลยอาศัยการสวดมนต์เป็นการภาวนาแทนไปก่อน ตอนโดนฉีดยาสลบแล้วชาแต่ร่างกายแต่รับรู้ได้ยินทุกอย่างที่หมอคุยกันทุกอย่างเกิดจากการที่เราฝึกพุโทโธมาหรือเปล่าครับมันเกิดจาก <c oughs> เกิดจาก <c oughs> ยาที่ยังไม่ได้ทำให้เราหลับแบบสนิทถ้าโกหกแต่เจตนาเพื่อให้คนอีกฝ่ายสบายใจไม่เสียใจอย่างนี้ถือว่าผิดสีมุสาไหมครับผิด <c oughs> ปลวกขึ้นบ้านจะทำอย่างไรดีครับก็ให้ให้บริษัทกำจัดตลวกเข้ามากำจัดก็ได้แต่เราต้องมีโวหารที่พูดคืออย่าไปสั่งเขาให้มาทำเพียงแต่แจ้งว่าท า, าว่าที่บ้านมีปลวกแล้วถ้าเขาอาสามาทำให้ก็เป็นเรื่องของเขาไปอยากเรียนเก่งเหมือนด็อกเตอร์ต้องทำบุญแบบไหนครับต้องขยันเรียน <c oughs> มีวิทยาทำบุญคือความขยนันนี่มันเป็นบุญอย่างหนึ่ง อัมวียนมันเพียนเราต้องระลึกถึงความตายอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับการระลึกถึงความตายบ่อยๆจะทําให้เราไม่หลงจะทําให้เราไม่ค่อยโลภไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยอะไรกับสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วเวลาเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องจากมันไปมันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายยึดติด น, น้อยลงไป เลี้ยงหมูเป็นอาชีพบาปไหมครับถ้าไปค่าก็ถ้าเราไม่ได้ค่าก็ไม่บาปถ้าเราเลี้ยงอย่างเดียวมีคนคอมเมนต์บอกว่าตั้งใจฟังพระอาจารย์ทุกคำถามคำตอบเลยนะครับจะแก้ไขตัวเองให้เลิกผัดวันประกันพุ่งขี้เกียจสวดมนต์นั่งสมาธิได้อย่างไรครับก็ทำมันวันนี้เลยเลย พอใช้วเวลาก็ทําเลยใช่เราก็เหมือนกันการตอนที่เรานั่งศึกษาใหม่ๆเราก็ไม่ได้นั่งสมาธินะก็ไม่แต่อ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีนั่งสมาธิศึกษามาหลายเดือนด้วยกันนะ ว, วันหนึ่งมันฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยเรายังไม่เคยนั่งอะไรนั่นเนี่ยตั้งแต่ศึกษามาเอาก็เอาวันตอนนี้เลยก็เลยเริ่มนั่งไปเลยต้องเริ่มทําเลยพอได้สติรู้ว่าเรายังไม่ได้ทำก็ถ้าอยากจะทํำก็ต้องเริ่มทําไปเลย ถ้าไม่เริ่มทามันก็จะผัดไปเรื่อยๆต่อไปครับอย่างตอนนี้โยมพังเสร็จแล้วก็ไปนั่งสมาธิได้เลยครับสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันทุกเช้าดีไหมครับดีเคยป่วยหนักมองเห็นร่างเล็กโปร่งใสนี้แสดงว่าเขาจะมารับเราหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน จะทำอย่างไรให้จิตสงบได้เร็วครับให้มีสติมากๆให้สามารถควบคุมให้ใจยอยู่กับพุโทโธไม่เผลอเลยภายในห้านาทีนี้ก็จิตก็จะสงบได้เราการุญฆาตสุดนักที่เราเลี้ยงและกัดอวัยวะโดยต้องเย็บจานวนมากและชอบวิ่งไล่คนอื่นเกรงว่าจะกัดคนอื่นเราตายจะไปอยู่ที่ใดก่อนครับ เราตายเราก็ไปรับผ ล, ลบาปที่เราทําเราจะต้องไปเกิดเป็นสุนับให้เข้ามาฆ่าเราทําบุญบูชาวัตถุมงคลกับวัดกับหลวงพ่อที่เรานับถือเพื่อสร้างวิหารเจดีอย่างนี้เราจะถือว่าเป็นการทําทานบารมีหรือไม่ครับและร่วมบุญแบบนี้หากใจเราหวังในวัตถุมงคลแต่ได้ทําบุญไปด้วยมันจะได้บุญเต็มที่ไหมครับการให้การเสียสละ การทำบุญทำทานเราก็จะได้บุญแต่การที่ไปไปหวังได้วัตถุมงคลนี่เป็ น, ค, นความหลงอยู่เพราะวัตถุมงคล น, นี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราไปแสวงหากันพระเจ้าให้แสวงหาด้วยการกระทำที่เป็นมงคลเช่นการไม่คบคนพาลคนคบบัณฑิตอย่างนี้เป็นเรื่องของความเป็นมงคลแต่ไม่ได้ให้ไปหาวัตถุมงคลมาเพื่อสร้างความเป็นมงคลให้กับเรา มงคลจะเกิดขึ้นจากการทำตามคำสอนในในในมงคลรสูตรที่มีสามสิบแปดข้อด้วยกันไม่ค่อยมีเงินจะทำสังฆทานให้แม่ที่ตายไปแล้วภาวนาและอุทิศบุญให้แทนได้ไหมครับไม่ใช่นะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีคำสอน้สอนอย่างนั้นเอาทำเท่าที่เราทำได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีมากมีน้อยให้มีตามกำลังของเรา ตอนวางยาสลบความรู้สึกกับสติจะหายไปทันทีเราสามารถฝึกจิตจุดท้ายในสภาวะนี้ได้เลยไหมครับถือว่าใกล้เคียงกับสภาวะที่เราจะหยุดหายใจไหมครับถ้ า, าอยู่ในสภาพนี้ก็ลองทําดูสิเพราะว่าไม่ใช่าเราจะถูกวางยาสลบกันทั <c oughs> นบ่อยกันทุกคนครับ <c oughs> ทางที่ดีเราควรจะฝึกตอนก่อนที่เราจะไปวางยาสลบจะดีกว่า ตอนนี้เรามีเวลาฝึกให้รีบฝึกเสียตอนนี้ดีกว่าอย่าไปรอตอนที่ใกล้าตายหรือใกล้จะถูกวางยาถล่เพราะมันเป็นเ ห, เหตุเหตุเหตุการณ์ที่นานๆ จ, จะเกิดขึ้นทั้งครั้งทั้งเดียวบุญจากการสักการะพระเคี้ยวแก้วมได้แบบไหนครับก็ได้ศรัทธาศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริง จะทำให้นำได้เชื่อคำสอนของพระเจ้าเราจะนั่งนํามาเป็นปฏิบัติเพร่อได้กผลจริงตามมาคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการเจริญภาวนาของเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วถ้าเราฝึกจากการฟัง youtube จากพระอาจารย์หลายท่านด้วยเพราะไม่สามารถได้รับคําปรึกษาหรือฝึกจากพระอาจารย์ได้โดยตรงครับก็ดูที่ผลจากการภาวนาของเราถ้าใจเราสงบมากขึ้นก็ถือว่าได้ผล ถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่ายังไม่ได้ผลขอโอกาสครับพอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซห้าร้อยสามสิบหกคนครับในยูเจ็ด้ยหกสิบสองในคลับห้าติ๊กตอกห้าร้อยแปดสิบเก้ารวมฟังทมด้วยกันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสองท่านนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สบนาิกาสิบสี่นาทีวันนี้พระอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคำถามนะครับ ร้อยห้าสิบเอ็ดเช่นน่เชอเคก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาถามตอบคําถามหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อจะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลที่ดีต่อมาที่ที่ดีต่อไปการสนทนาธรรมสนองคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ ก็ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องอนใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้ า, าขอเจริญพรปรับปรุงพระอ า, า, า, า, า, า, าจารย์ครับ